วันแม่เคยกลับไปดูแลเคยถามาแม่บ้างไหมอยู่ในเมืองพบความรุ่งเรืองวิไลเคยคิดถึงแม่ไหมห่างไกลแล้วใครดูแลคุณเลี้ยงใครๆมากมายได้ทุก ไครลืมก็ถือว่าแย่ ปลายดอยคุณทำสิ่งใดเพื่อให้คุณแม่เคยอุ้มชูดูแลอย่าปล่อยให้แม่เหงาหงอยวันสำคัญอย่าทำให้ท่านรอคอยของฝากคือหน้าลูกน้อยแม่ท่านขอ คุณแม่เคยอุงชูดูแลอย่าปล่อยให้แม่เหงาง่วันสำคัญอย่าทำให้ท่านรอคอย